มนุษย์เราอะสงสัยกันมาตลอดว่าความจริงที่เราสัมผัสอยู่เนี้ยมันเป็นความจริงที่มีเลเยอร์อื่นๆนะอยู่หรือเปล่าอในเชิงปรัชญานะฮะเราเราถามกันมาตั้งแต่ยุคของจวงจื๊อนักปรัชญาทีแล้วอะว่าผมกับฟางตอนเนี้ยเรากําลังฝันอยู่หรือเปล่าเราอยู่ในความฝันของใครสักคนหรือเปล่าแล้วหรือว่าตอนเนี้ยเรากําลังเล่นเวอร์ชวลเรียลิตี้ที่ในอนาคตเราแค่รอเวลาตื่นหรือเปล่า สุดท้ายแล้วอะถ้ามันจะเป็นวิทยาศาสตร์มันจะต้องถูกวัดได้ทดลองได้ถูกพิสูจน์ว่าผิดได้หักล้างได้ตรงนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาว่าสุดท้ายวิทยาศาสตร์มันจะแผ่ขยายออกไปถึงจุดไหน you're listening to the standard podcast the eye opening experience for your ears ได้ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ p o d c a s วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ตอนที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยนะคะ Everything Everywhere All at Once เนี่ยชิงออสการ์หลายสาขามากๆซึ่งสำหรับฟังฟังว่าเรื่องนี้คือแบบเป็นเป็นหนังแห่งปีของฟังนะที่แต่ว่ามีประเด็นเรื่องของอมัลติเวิร์สอยู่ในเรื่องด้วยซึ่งเป็นมัลติเวิร์สที่ฟังว่าจับต้องได้ในความเข้าใจของเราจากการดูหนังมไม่รู้ว่าของพี่ป๋องแปงมีไหมคะหนังที่มีเรื่องราวของมัลติเวิร์สแล้วชอบเออจริงๆก็มีหลายเรื่องนะแต่ที่หลายๆคน รู้จักก็อาจจะเป็นมาเวลอะไรเงี้ยฮะก็ด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่อื่ซึ่งวันนี้ค่ะใดๆในโลกโลนฟิสิกส์นะคะจะชวนมาพูดคุยกันเรื่องราวของมัลติเวิร์สไม่ว่าคุณจะดูมาจากหนังเรื่องไหนหรือว่าอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์มาบ้างด้วยหรือเปล่าลองมาคุยกันในตอนนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัตเทโรจิตพนาค่ะและผมปองแ่งอัจวโรงจันทมาศครับพี่ปองแบ่งคะคําว่ามัลติเวิร์สที่เรารู้จักในหนังกับมัลติเวิร์สในฟิสิกส์เนี่ย มันไปด้วยกันได้ไหมหรือว่าเราจะอธิบายมัลติเวิร์สจากหลักการทางฟิสิกส์ยังไงดีคื อ, อ, อผมต้องออกตัวแบบชัดเจนก่อนนะมัลติเวิร์สเนี่ยเป็นคอนเซปที่มีความแฟนตาซีคือเป็นหนึ่งในจินตนาการเนาะเราก็จะเห็นมันในนิยายในภาพยนตร์ในอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีการคิดเรื่องนี้นะฮะแต่ว่า ยังไม่มีการทดลองอะไรที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของมัลติเวิร์สเลยแม้แต่การทดลองเดียวเนื่อออกไห ม, มดังนั้นมันจึงเป็นหัวข้อที่อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในจินตนาการค่อนข้างเยอ ะ, ะแต่ว่าถามว่านักฟิสิกส์สนใจไหมก็มีการจินตนาการแล้วก็มีการพยายามคิดในกรอบของฟิสิกส์ขึ้นมาอยู่อยู่บ้างเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะฮะมันเนื่องจากเรายัางทดลองก็ไม่เจอแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นจินตนาการสูงดังนั้นเนี่ยนิยามต่างๆของมัลติเวิร์สเนี่ย มันก็จะแตกต่างไปตามนักฟิสิกส์ในแต่ละสํานักในยุคปัจจุบันนะเท<ะ>่าที่ผมศึกษามานะบางคนก็จะแบ่งออกเป็นหลายเลเวลบางคนก็จะแบกไอเลเวลต่างๆพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันอีกอเออไอตรงเนี้ยดังนั้นที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สในฟิสิกส์ที่แบบกลางๆที่สุดกันละกันห<ะ>มายความว่าหลายๆสํานักเห็นตรงกั น, กนแบบนั้นถ้าเราคุ้นเคยในหนังมันจะมีความแบบว่ามีเราที่อยู่ใน ที่อื่นแล้วก็เป็นเราที่มีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งหรือว่าโลกอีกแบบหนึง่งแล้วในทางฟิสิกส์เขาอธิบายยังไงคะเอาอย่างนี้ก่อนไอสิ่งที่น้องฟางพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาอาจจะใช้อีกคำว่าเป็น Parallel Universe หรื อ, อเอกภพคู่ขนานซึ่งมันก็คือ Multiverse นั่นมันเป็นหนึ่งในรูปแบบหนึ่งของ Multiverse นะฮะ แต่มัลติเวิร์สยังมีแบบอื่นๆ อ, อีกซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่แนวคิดเรื่องเอกภพคู่ขนาดเนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เข้าใจกันก่อนว่ามันยังไงนะเ<ฆ>ช่นตอนนี้ผมผมเรียนต่อฟิสิกส์มาแล้วก็มาทำงานพฤธีกรเป็นกับน้องฟางนะครับมันอาจจะมีอีกเรียลลิตี้หรือเอกภพหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้เลือกเรียนฟิสิกส์เพราะตอนนั้นเนี่ย อ, อ, อยากจะสอบหมอแล้ว ในเอกภ พ, พเนี้ยผมสอบไม่ติดใช่ปะ่ะ ก, ก็มาเรียนอย่างอื่นไป ท, ที่ชอบเหมือนกันแต่อีกเอกภ พ, พ, พหนึ่งผมอาจจะได้ทำงานอยู่โรงพยาบาลก็ได้ตอนนี้เ ป, นเป็นคุณหมออาจจ่านวิรุนะครับก็คือมีพี่ป่องแปงอีกแบบหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือพี่ป่องแปงอี ก, อกเอกภ พ, พ, พหนึ่งอาจจะอาจจะเรียนด้านศิลปะไปเลยเป็นศิลปินนักเขียนภาพอะไรแบบนั้นหรืออีกเอกภพหนึ่งผมอาจจะเป็นนักดนตรี หรือเอกภพหนึ่งผมอาจจะอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยอาจจะอาจจะทํามาหากินทําอย่างอื่นไปเลยอีกเอกภพหนึ่งทองเราฟังก็อาจจะเป็นอย่างอื่นไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเอกภพคู่นขนานคือมีเรียลลิตี้หรือความจริงอื่นๆที่คู่นขนานกันไปแล้วก็แตกต่างไปตามช้อยส์หรือการตัดสินใจเลือก<ะ>ถูกไหมออันนี้ก็เป็นเป็ น, นี้ตรงกับหนังหลายเรื่องเหมือนกันอืนะครับแต่ในทางฟิสิกส์เนี่ยแต่ละเอกภพเนี่ยก็ต้องถามต่อว่าเอกภพเนี่ยนะฮะในในใน ในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะแต่และเอกภพเขาจะต้องมีความจริงของเขาแล้วก็มีกฎฟิสิกส์ของเขาที่เป็นกฎฟิสิกส์ลักษณะเดียวกันมันถึงขนานกันไปได้อถูกหมหนึ่งในทฤษฎีฟิสิกส์ที่มีความคล้ายคลึง อ, อ, อาจจะเรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับเอกภพผู้ขนานแบบเนี้ยคือทฤษฎีควอนตัมแต่มันไม่ใช่ควอนตัมแบบกรอบใหญ่ๆค่ะทฤษฎีควอนตัมเป็นทฤษฎีที่มีความประหลาดและขัดกับสําตสัมมึกหลายอย่างนะครับแต่ว่า หนึ่งในรูปแบบของการอธิบายมันเขาเรียกว่า manual interpretation ก็คือคำอธิบายแบบ manual ภพษาหูโลกาแปลเป็นไทยแบบผ ม, ม, มก็คือทุกครั้งที่ปรากฏการทางควอนตัมมันจะเกิดการเลือกอะไรสักอย่างขึ้นมาว่ามันจะลงไปอยู่ในสถานะแบบใดเนี่ยนะฮะมันมีคำอธิบายหลากหลายมากแต่หนึ่งในคำอธิบายทางทฤษฎีควอนตัมเขาเรียก manual เขาบอกว่า สมมติว่าตัวแปรทางควอนตัมเนี่ยมันมันจะ collapse หรือเลือกลองไปในในสถานะใดสถานะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการ split ของเอกภพออกไปเป็นเอกภพคู่ขนานแยกกันที่มีผลลัพธ์ต่างกันใช่ที่มี outcome หรือผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกันยกตัวอย่างกับอะตอมของไฮโดรเจนสมมตินะให้มัน realistic ขึ้น<ะ>สมมุติว่าผมทำการวัดว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบอะตอมไฮโดรเจนอยู่ตรงไหน ในเอกภพหนึ่งผมอาจจะวัดได้ว่ามันอยู่ทางซ้ายแล้วก็อยู่ห่างจากไฮโดรเจนค่าหนึ่งแต่ในตอนที่ผมทำการวัดเนี่ยเรียลิตี้มันแยกส PLIT ออกมาเป็นผมในเอกภพหนึ่งวัดตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้อีกจุดหนึง่งผมในเอกภพหนึ่งอาจจะวัดตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้อีกจุดหนึ่งแตกต่างกันออกไปแบบนี้นะซึ่งมันทำให้เกิดความคิดต่อขึ้นมาว่าแล้ว ช้อยส์และการเลือกของเรามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ ừ, ซึ่งสิ่งนี้เป็นทฤษฎีที่นักฟิสิกส์พูดกันเลยเป็นทฤษฎีที่นักฟิสิกส์พูดกันใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในคำอธิบายทางควอนตัมที่ฮอตฮิตมากเหมือนกันก็ห <Ừ. S 2> ลายๆคนชอบแต่คนที่ไม่ชอบก็มีฮะเพราะว่าแต่เราเวลหรือเอกภพเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนแทคกันได้ <Ừ. S 2> ดังนั้นเราไม่มีวันเลยที่จะมองเห็นอีกเอกภพหนึ่งตามาค <ำ S 1> ามอธิบา ย, ยาว่าเป็นอย่างไร มีอยู่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมตามทฤษฎีบอกว่ามีแต่วัดไม่ได้มีแต่วัดไม่ได้อ่ะมันมันแง่งแล้เหิดกาคํเียคนเขาค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นเป็นคําอธิบายที่เรียบง่ายจังเลยแต่สิ้นเปลืองเอกภพสุดๆอันนี้มันเป็นมันเป็นคํำพูดเชิงประชดว่าแบบโอ้โหฟังดูเรียบง่ายนะแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกเอกภพสปิตเป็นล้านล้านแล้วยิ่งแตกขึ้นไปเอกยิ่งแตกแบบทุกวินาทีมันแตกออกไปเรื่อยเรื่อแบบเนี้ยอู้เปลืองเปลืองใช้เอกภพเปืองมากเลย ประหยัดถ้อยคำตบเรื่องเอกภพ อ, อันนี้คือสายแบบไม่ชอบอนะฮะฟิส<อ>ิกส์นี่วาจาใช้ได้นะอะไรแบบนั้น ม, มันมีนิยายนิววิทยาศาสตร์บางเรื่องเหมือนกันนะฮะที่พยายามอธิบายถึ ง, ถ, งถึงเอกภพคู่ขนานแบบนี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่อเรื่องอะไรนะแต่ว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นค่ะ แล้วมันมีคนสร้างเครื่องสร้างเครื่องเจเนเรตพลังงานออกมาได้แบบไรที่สิ้นสุดเว้ในนิยายเรื่องนั้น<ม>เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดมาก<ม>แล้วสร้างแบบเครื่องสร้างพลังงานไรที่สิ้นสุดออกมาได้วิกฤตพลังงานหายไปทุกคนในโลกแฮปปี้หมดเลย<ม> น, นึกออกใช่อห ม, มแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่นิยายที่ดีทุกคนแฮปปี้เกินไปมีคนมารู้ทีหลังว่าพลังงานที่มามันมีแหล่งอยู่คือมันไปสูบมาจากเอกภพอื่นอพอมันไปสูบมาจากเอกภพอื่น่ะ มันไประรานสมดุลของเอกภ พ, พอื่นทำให้เอกภ พ, พทั้งหมดอะอาจจะล่มสลายโห น, นิยายวิทยาศาสตร์นะล้ำไหมผมจำไม่ได้เรื่องอะไรแต่มันมีแบบนี้อยู่เออถ้าถ้าย้อนกับทั้งในนิยายแ้ะก็ในเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ many world ครับใช่ไหมคะแปล ว, ว่าผลลัพธ์ในเอกภ พ, พต่างๆอะถ้าถ้าในนิยายคือมันส่งผลต่อกันได้แต่ในทฤษฎีทางฟิสิกส์เนี่ย ผลลับต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เหมือนกับมีการค้นพบว่าเออมันจะส่งผลหรือว่าติดต่อสื่อสารหรือกระทบกันยังไงอะถ้าเป็นแนวคิดแบบแมนนิวในทฤษฎีควอนตัมที่เราเชื่อกันอยู่ในที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามันไม่มีทางส่งผลด้วยคืออย่างนี้ก่อนทฤษฎีควอนตัมมันมีคําอธิบายหลายเวอร์ชั่นนะแต่เราเวอร์ชันเนี่ยคำนวณออกมาได้ผลลัพธ์ต้องตรงกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอธิบายมันแบบไหนซึ่งคําอธิบายแบบแมนนิวลเนี่ยแต่เราเวอร หรือจะเรียวกว่าเป็นเอกภพคู่ขนานเนี่ยนะมันจะต้องไม่สามารถจะไปมาหาสูงกันได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อการวัดและการทดลองดังนั้นไม่มีทางคอนแทคได้เลยทำยังไงก็ไม่มีวันเจอซึ่งนั่นแหละคนก็ประชดประชดกันไปแบบนั้นสำหรับคนที่ไม่เชื่อทีนี้นอกจากเรื่องของมัลติเวิร์สที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของมิติของเอกภพความมัลติเวิร์สความมิติ <c oughs> อื่นๆ อ, อะไรเงี้ยมันมันเกี่ยวยงหรือเราควรจะอธิบายมันยังไงได้บ้างคะพี่คืออย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอกภพที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราอยู่ในเอกภพที่มีที่ว่าง3มิติใช่ไหมเราเราเราอยู่ในที่ว่าง3มิติเนี่ยโต๊ะมันเป็น3มิตินะมันมีกว้างยาวลึกอย่างเงี้ยเป็น3มิติค่ะ <c oughs> สเปซเป็น3มิติแต่คําถามที่นะักฟิสิกส์เริ่มสงสัยคือเอกภพของเรามี3มิติ1คือจริงหรือเปล่ามันมีมิติพิเศษอื่นๆที่ซุกซ่อนอยู่ไหม ที่เราอาจจะไม่เห็นที่เราอาจจะไม่เห็นไอแนวคิดเนี่ยเขาเรียก Extra Dimension ซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับ m u l ติ v ว r s e แต่ที่เขาถามมากไปก่อนนั้นคือมันจะมีเอกภ พ, พอื่นๆที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้มีมิติเท่ากับเอกภ พ, รพเราหรือเปล่าหนึ่งและสองคือเป็นไปได้ไหมที่จะมีเอกภ พ, พอื่นๆเกิดขึ้นมาแล้วค่าคงที่ทางฟิสิกส์อื่นๆไม่เป็นอย่างที่เอกภ พ, รพเราเป็นงงไหม ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เราวัดค่าประจุของอิเล็กตรอนได้ค่าหนึ่งมวลของอิเล็กตรอนวัดได้เท่านี้นะทุกอิเล็กตรอนในเอกภพของเรามีมวลเท่านี้มีประจุไฟฟ้าเท่านี้ซึ่งเป็นค่าพื้นฐานที่มันไม่เปลี่ยนคแต่คําถามคือเป็นไปได้ไหมที่จะมีอีกเอกภพหนึ่งที่ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนไม่ใช่เลขเนี้ยอืเป็นเลขอื่นมีมวลค่าอื่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีเอกภพแค่สองมิ ต, ติหรือมี Space มากถึง7มิติ อะไรแบบนั้นเป็นไปได้ไห ม, มแล้วจากข้อสงสัยเมื่อกี้ที่เขาตั้งคำถามกันมันนำไปสู่การแบบพยายามหาคําตอบเรื่องนี้ยังไงบ้างคืออย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราไม่เคยเห็นเอกภพอื่นๆไม่เคยมีใครที่เป็นนักฟิสิกส์สังเกตเห็นได้แต่ไม่มีอะไรหลุดรอดจินตนานการของนักฟิสิกส์ได้ก็มีคนพยายามศึกษานะฮะศึกษาว่าเอกภพแบบสองมิติ เป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรนะเอกภพที่มีมิติมากกว่าสามเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไร <ừ> เอาอย่างนี้ผมคิดเล่นนะสมมุติว่าเอกภพมีแค่2มิติสมมุติว่ามีสองมิติเป็นแผ่นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเอกภพสองมิติเนี่ยจะรู้จักบนล่างซ้ายขวานะจะไม่รู้จักคําว่าความลึกอ <ừ> ืไม่ใช่ว่าเขาแบบไอคิวต่ํานะเขาไม่รู้จักเรามันไม่มีมันไม่มีแล้วเขาจินตนาการไม่ออกนะฮะสมมุติว่าผมมีหมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในเอกภพนั้น น้องฟาวลองนึกภาพหมาตัวหนึ่งที่อยู่ในเอกภพสอมิติเวลามันกินอาหารเนี่ยอาหารเข้าทางปากใช่ไหมแล้วมันก็ต้องไหลลงกระเพาะซึ่งมันจะต้องเป็นท่อลงมาแล้วก็เจอกระเพาะเปิดขึ้นมาเป็นห้องแล้วพอย่อยเสร็จมันก็ต้องมีของเสียออกไปทางทางทางทางออกของมันอะทางคือตูดนั่นแหลยนะทีนี้เราจะพบว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตแบบสุนัขหรือหมาแบบนี้มันจะยึดติดกันเป็นชิ้นเดียวได้ยังไง เพราะมันมีแค่สองมิติใช่การที่มันจะยึดติดเป็ น, ปนชิ้นเดียวเป็นร่างกายสี่มิติดเดียวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อมชิ้นบนกับชิ้นล่าง ม, มันจึงไม่ make sense มันชวนตั้งคำถามไงว่าอเออหรือว่าเอกภพที่มีมิติในรูปแบบอื่นๆจะไม่เอื้อต่อการเกิดของชีวิตนึกออกไหมฮะมออไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะแต่หมายความว่าถึงมี บางคนก็เชื่อว่าอาจจะไม่มีชีวิตไปเกิดที่นั่นมาตั้งคําถามนี้อหรือเป็นชีวิตแบบอื่นที่เราอาจจะจินตนาการไม่ออกอใช่แต่ถ้าจินตนาการไม่ออกเราก็นะพูดยากหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าถ้าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดบิ๊กแบงสมมติมีบิ๊กแบงอื่นเกิดขึ้นที่ไม่ใช่บิ๊กแบงของเอกภพเราเราเรียกว่าบิ๊กแบงประหลาดก็แล้วกันตูออกมาแล้วอิเล็กตรอนมันประจุเปลี่ยนไป พวกอนุภาคอื่นๆมีจุกเปลี่ยนไปมันอาจจะส่งผลต่อแรงทางไฟฟ้าอย่างมากแล้วก็ส่งส่งผลต่อภาคของเอกภพอย่างมากเพละเพลจะไม่เกิดดาวฤกษ์ขึ้นมาแบบที่เราเห็นกันและถ้าไม่มีดาวฤกษ์มันอาจจะไม่เกิดสิ่งมีชีวิตมาตั้งคำถามนี้เข้าใจที่ผ ม, มพูดเลยเข้าใจค่ะเป็นทอดๆต่อเนื่องใช่นะแนวคิดลักษณะเนี้ย อาจจะยังไม่ได้ไ ม, ไดมีการพิสูจน์อย่างจริงจังนะฮะแต่มันสอดคล้องกับหลักการหนึ่งที่เรียกว่าหลักเอนโทรปิกมันคืออะไรคะเป็นหลักการที่อธิบายว่าจริงๆมันไม่เชิงจะเป็นวิทยาศาสตร์นะมันเป็นปรัชญาพอสมควร<ม>คือเป็นหลักการที่พยายามอธิบายว่าคือนักฟิสิกส์สงสัยว่าทำไมเอกพภพมันถึงเป็นอย่างที่เราเห็นนะ่ะทําไมประจุอิเล็กตรอนต้องเป็นเท่านั้นทำไมมติติต้องเป็นสา ม, มิติคนที่อธิบายในหลักเอนโทรปิกก็จะบอกว่าแบบอื่นก็มีแหละ แต่มันแค่ไม่มีสิ่งมีชีวิตไปเกิดถาม ม, ม, มันอาจจะมีได้อาจจะมีเอกภพสองมิติหรือ7มิติแต่มันไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตให้ไปเกิดเอกภพอื e K ่นๆมันไม่เอื้อต่อการเกิดของดาวฤกษ์และพลังงานมันก็เลยไม่มีสิ่งมีชีวิตรเราไปถามไง ม, มันดูกำั้นทุ่ดินนะ นักฟิสิกส์เป็นคนช่างจินตนาการเราเคยคุยกันเรื่องนี้อตอนสั้นตอนหนึ่งว่าจริงๆแล้วฟิสิกส์กับการจินตนาการเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรื่องเดียวกันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ชัดที่สุดเลยที่ทําให้เห็นภาพว่าต้องมีแบบจินตนาการสูงมากริชาร์ดไฟแมนเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบลจากการพัฒนาทฤษฎีชิวอนตัมอิเล็กโตรเดนเมิกส์แล้วก็เป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่อยู่ในโครงการแมนฮัตตันหรือพัฒนาระเบิดปรมาณูนะครับ เขาค่อนข้างจะอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากแต่หนึ่งในสิ่งที่ฟร์ยแมนพูดก็คือว่าจินตนาการทางฟิสิกมันยากมันแอบสแตรกผมทุนอ่านมาเลยคือเขาพูดว่าการจจินตนาการถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอาแค่นี้ที่เราเรียนกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่เหมือนจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดหรือเทวดาที่เราสร้างภาพออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยเห็นในหนังมันดูเหมือนจับต้องได้เลยแต่ ค, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเต็มไปด้วยจินตนาการที่แปลกประหลาดอืมใช่มันมันเราจรินตนาการถึงสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มันกระเพื่อมอ่ะมันยากมากแล้วยิ่งผสมกับความเป็นโฟตอนซึ่งเป็นธรรมชาติอีกอีกด้านหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไอน์สไตน์บอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีธรรมชาติของอนุภาคด้วยมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่อ่ะคือฟิสิกส์อ่ะมันเป็นจินตนาการที่ที่ยากครับคือไฟแมนพูดเลยว่า ถ้าคุณเรียนฟิสิกส์แล้วรู้สึกมันจินตนาการยากไม่เป็นไรหรอกนะฟิสิกส์ก็รู้สึกอย่างนั้นมันยาก <Ừ. S 1> บางทีมันเป็นมันออกมาเป็นคณิตศาสตร์แล้วเราก็เห็นมันแค่คณิตศาสตร์แบบนั้นใช่ทีนี้เมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องของ many world ไปแล้วค่ะพี่ป่องแปงแล้วแล้วก็ multiverse <ม>แบบที่เอกภพอื่นอาจจะมีค่าคงตัวทางฟิสิกส์หรือมิติไม่เท่ากับเอกภพเราอืแล้วมันมีทฤษฎีอื่นอีกไหมคะที่นักฟิสิกส์เขาถกเถียงกัน อย่างที่บอกนะครับจ ร, จริงๆตอนนี้มันไม่เชิงเป็ น, ป น, ปนทฤษฎีฟิสิกที่ชัดเจนมันเป็นแค่แนวคิดเชิงปรัชญาเลยที่เขาพยายามตั้งคำถามกันอยู่ใช่ยังยั ง, ยงไม่มีแต่บางทีเขาก็พยายามจินตนาการถึง Big Bang ที่หน้าตาแปลกๆอื่น ๆ, นๆหรือจุดจบของเอกภพบแบบต่างๆที่เป็นไปได้ด้วยนะยังไงคะคือตอนนี้เอกภพของเรามันเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงอันนี้ไม่มีใครเถียงชัดเจนแต่คาถามคือเอกภพเราอะจะจบแบบไหนอืม เออมันถ้าผ่านไปอีกยาวนานมากๆเกินกว่าระยะเวลาที่มนุษย์เรารับรู้ได้ในช่วงชีวิตมนุษย์เนี่ยน ะ, ะครับคถามคือเอกภพเราเนี่ยจะจบอย่างไรถ้าดูตามเอกภพบแบบปัจจุบันเนี่ยตอนนี้บิทแบงเอกภพมันขยายตัวแล้วน้องฝฟางคิดว่ามันเร็วขึ้นช้าลงหรือเร็วเท่าเดิมลองเดาดูตอนนี้เอกภพขยายตัวนี่ชัดเจนเคยได้ยินเนาะ<ฆ>แต่คิดว่าโดยคอมมอนเฟนส์เนี่ยมันตอนนี้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือมันเร็วเท่าเดิมหรือมันค่อยๆเหนืดช้าลงช้าลง เท่าที่เราสังเกตดูอันนี้มีคําตอบแล้วนะอ๋อไม่รู้เดาช้าไหมคะมันผ่านมานานแล้วอ่าผ่านมานานแล้วใช่ไหมนักฟิสิกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเชื่อแบบโน้นแบบนั้นแบบนี้แต่การทดลองสังเกตการนะฮะจากการสังเกตพวกซูเปอร์โนวาเนี่ยเขาพบว่าตอนนี้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆแปลกไหมแปลกสิมันประหลาดแล้วถ้ามันเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปอ่ะเอกภพมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ สารต่างมันจะอยู่ห่างกันเรื่อยๆมันจะค่อยๆห่างกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จบลงที่ความหนาวเย็นห่างกันสุดขั้วแบบหนาวหนาวเนี่ยไปตลอดการแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะซึ่งเออมันเท่าที่ดูจากหลักฐานต่างๆมันก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นแต่อีกแนวคิดหนึ่งก็เชื่อว่าแต่ น, นี้ก็ยังไม่มีหลักฐานซัพพอร์ตนะฮะบางทีในอนาคตเนี่ยถ้ามวลสารมันมากขึ้นมากขึ้นเน่ยมันอาจจะดึงดูดให้เอกภพเนี่ย ที่ขยายตัวอยู่ช้าลงช้าลงแล้วก็กลับมาบีบบีบบีบบีบแล้วก็ขัดกลับมาเป็นจุดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บางทีอาจจะเกิด Big b แ n g ใหม่ก็ได้แต่นี่มันแฟนตาซีนะอันนี้เขาเรียกว่าไซคลิกยูนิเว s ร์สหรือเอกภพบแบบที่เกิดขึ้นเป็นวัตจักรซึ่งม o ฟออนเป็นวงกลมใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะเท่าที่ดูมันดูจะห่างกันไปเรื่อย หรืออย่างน้อยที่สุดมันต้องเร็วคงตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ห่างกันมากขึ้นที่คงตัวที่ค่านึงอยู่ดีอะไรแบบนั้นนะแล้วสิ่งนี้มันโยงกลับมาเรื่องมัลติเวิร์สยังไงนะคะมันโยงกลับมาตรงที่ว่าถ้าเอกภพของเราดาวหรือวัตถุต่างๆนตอนนี้ที่เราเห็นนะมันห่างจากกันเร็วขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะมีอีกเอกภพที่มันกําลังจะบีบตัวแล้วเกิดบิ๊กแบงอีกรอบก็ได้อะไรแบบนั้นนะในระหว่างกระบวนการนี้ ในระหว่างที่เรากำลังคุยอยู่นี้อาจจะมีอีมัลติเวิร์สหนึ่งที่กาแล็กซี่ต่างๆแทนที่มันจะห่างกันเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้อาจจะมีเอกภพหนึ่งที่กาแล็กซี่ต่างๆมันเริ่มหน่วงช้าลงแล้วก็กําลังจะถูกดีบอัดกลับมาที่เป็นบิ๊กครันช์แล้วก็อาจจะแตกมาเป็นเอกภพใหม่อีกครั้งเ <c oughs> มาเลยประมาณนี้แต่ตอนนี้มันเป็น ไม่เป็นแนวคิดที่จินตนาการแฟนตาซีแล้วก็ปรัชญายอยู่ยังไม่มีความเป็นฟิสิกส์มากนะผมพูด<ม>แบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าคําน้องฟังลองนึกภาพก่อนนะยังไม่ต้องไปถึงเอกภพอื่นก็ได้เพราะเอกภพเราอะเอกภพเราอะก็เต็มไปด้วยปริศนามากมายแล้วเราศึกษาดาวศึกษาหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะตอนเนี้เราก็ยังเจอไม่เยอะเลยนะเอาแค่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเรายังเจอไม่เยอะเลย ยิ่งยิ่งมองห่างไกลออกไปเนี่ยเราพยายามมองห่างไกลออกไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมองออกไปได้แบบมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่รู้นะครับมันยังมีรูหรือโพอีกมากมายแล้วปริศนาเกี่ยวกับหลุมดําซึ่งผมได้เคยเล่าไปแล้วในตอนก่อนๆเนี่ยก็มีปริศนาที่เราไม่รู้อีกเยอะคือตอนนี้เราเราไม่รู้เยอะมากๆแค่เอกภพเอ ก, กะหรือหนึ่งเดียวที่เราอยู่เรายังไม่รู้เลยยังไม่ต้องไปถึงแบบมัลติเนีมัลติเนี่ยมัน มันเป็นสิ่งที่ตอนนี้เราได้แต่จินตนาการกันอยู่ใช่แต่ไม่รู้ฮะในอนาคตเทคโนโลยีและความรู้ของเราอาจจะต่อยอดจนเราเริ่มชะโงกไปเห็นเอกภพอื่นก็ได้แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ตอนนี้เรามันจะเป็นแฟนตาซีอยู่ดังนั้นใครที่เขียนนิยายทําหนังอะไรก็เต็มที่ครับคือมันมันมันเปิดช่องให้คุณแลยมันเปิดช่องฮะมันใครคือมันผิดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงใช่เต็มที่เลยครับ ฟังว่าพอเราคุยกันมาถึงตอนนี้พี่บองแฝง EP เนี้ยน่าจะเป็น EP ที่มีความนา ม, มาทำและไม่ได้มีข้อค้นพบข้อพิสูจน์อะไรที่จับต้องได้มากเท่ากับ EP อ, อื่นๆใช่คำถามก็คือแล้วทำไมนักฟิสิกส์ถึงแบบถึงตั้งคำถามเรื่องนี้หรือว่าให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้ทั้งๆที่มันดูเหมือนเป็นเป็นจินตนาการมโนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่า นักฟิสิกส์ที่มาสนใจเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคือหมายความว่านักฟิสิกส์สายอื่นๆเขาก็ไปทางประยุกต์บ้างหรือสร้างทฤษฎีที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้คนที่มาศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับเรื่องอื่นๆผมว่าก็ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าส่วนที่ไม่เยอะทําไมเขาสนใจคือจริงๆแล้วฟิสิกส์เนี่ยหรือวิทยาศาสตร์เป็นการพยายามตอบคําถามว่าความจริงของธรรมชาติคืออะไร <S <S เราอยากรู้ว่าธรรมชาติมีความจริงเป็นยังไง และมนุษย์เราสงสัยกันมาตลอดว่าความจริงที่เราสัมผัสอยู่เนี้มันเป็นความจริงที่มีเลเยอร์อื่น ๆ, อ, นๆ อ, อยู่หรือเปล่าในเชิงปรัชญานะฮะเราเราถามกันมาตั้งแต่ยุคของจวงจือนะักปรัชญาทีแล้วว่าผมกับฟางตอนนี้เรากำลังฝันอยู่หรือเปล่าเราอยู่ในความฝันของใครสักคนหรือเปล่าแล้วหรือว่าตอนนี้ เรากำลังเล่นเวอร์ชวลหรืออัที่ในอนาคตเราแค่รอเวลาตื่นหรือเปล่าการตั้งคําถามถึงความจริงเหล่าเนี้มันอยู่ในผมว่ามันอยู่ในการพลังการตั้งคําถามของมนุษย์อยู่ในการสํารวจของมนุษย์ใช่และในเมื่อวิทยาศาสตร์มันถูกพัฒนาขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะสงสัยถึงความจริงเหล่านี้นะฮะก็เลยมีการพยายามสร้างทฤษฎีเหล่านี้ขึ้นมาอยู่ในระดับ ที่เรียกว่าเป็นปรัชญาขึ้นมาก่อนแต่ว่านั่นแหละในอนาคตโลกของวิทยาศาสตร์อาจจะขยายไปคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ก็ได้เราไม่รู้นะฮะใช่แต่อย่า ง, งที่<ช>บอกถาม <นะ S 1> ว่าทำไมเขาถามผมว่า ม, มันเป็นมันเป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่สุดของมนุษยชาติความจริงของเอกภพมันเป็นความจริงแท้หรือเปล่าเราอยู่ในคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันหรือเปล่าจริงๆก็มีนักฟิสิกส์พยายามศึกษาเรื่องพวกนี้นะ นักฟิสกส์พยายามตั้งคาถามว่าเอ๊ะแล้วเอความจริงที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดที่เราพบเห็นนะ ม, มันไม่ใช่อะตอมหรือเปล่ามันเป็นอินฟอร์เมชันหรือเปล่ามันเป็นรหัสศูนหนึ่งที่ถูกเก็บไว้เนี่ยอตอมหรืออะไรแบบเนี้ก็มีมอ่ะใช่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับหลายๆเรื่องที่มนุษย์สงสัยเนี่ยสุดท้ายแล้วอะถ้ามันจะเป็นวิทยาศาสตร์มันจะต้องถูกวัดได้ทดลองได้ถูกพิสูจน์ว่าผิดได้หักล้างได้ตรงเนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาว่า สุดท้ายวิทยาศาสตร์มันจะแผ่ขยายออกไปถึงจุดไหนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นว่าในอนาคตเราจะตอบคําถามที่ดูเหมือนปรัชญาและตอบไม่ได้แบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะในอดีตคําถามเชิงปรัชญาหลายอย่างที่มนุษย์ถามกันมาตลอดอ่ะแล้วเราไม่คิดว่ามันจะถูกตอบได้มันตอบได้มาหลายครั้งแล้วอืฟังว่าน่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้มันเหมือนเพราะว่าเรากลับมาเห็น ความเป็นมนุษย์ของนักฟิสิกส์นะบางทีเวลาพูดถึงเรื่องที่เป็นคำถามอย่างตอนมัลติเวิร์สเนี่ยบางคำถามก็ดูเป็นคำถามทางปรัชญาดูเป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าเกี่ยวกับความเป็นตันนอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามทางฟิสิกส์และทางวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ก็ยังเป็นมนุษย์ก็ยังมีคำถามนำทางกลับมาสู่เรื่องราวของชีวิตแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของเราอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครฟังตอนนี้แล้วดูตอนนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะคะตอนนี้เปิดช่องให้กับทุกคนได้แบบว่าแชร์จินตนาการแล้วก็ความรู้ความเข้าใจไปด้วยกันนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe นะคะยูทูบชาแนลของเดอะสแตน a า d ์ด d อดแคสต์นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะเจอกับใดๆในโลกลนฟิสิกส์กันได้ ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears